พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพุทธสาสนิกชนให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพลากจากกันไปไม่ได้นี่คือความจริงของชีวิต ของทุกๆชีวิตไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนจะฉลาดหรือโง่จะต้องมีการพัดพาคจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองๆใจจะหลงจะลืมจะคิดว่าจะเหยือ่อ ร่วมกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพ อ, อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะไม่หลงจะไม่ลืมจะเตรียมตัวเตรียมใจจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆ กับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ช้า ก, ก็เร็วจะต้องจากกันอย่างแน่นอนนี่คือทรรมที่สำคัญเพราะจะปกป้องจิตใจไม่ให้ทุกข์กับการพัดผ่าจากกันจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไป การพิจารณาก็ควรพิจารณาสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เรารักหรือเราชังเพราะสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังหรือสิ่งที่เรารักนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรานั่นเองสำหรับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชัง บุคคลที่เราไม่รักไม่ชังนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเขาจะมาเขาจะไปไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่เรารักสิ่งที่เรารักที่เขาจากเราไปเราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายใจหรือสิ่งที่เราชังบุคคลที่เราชังเวลาจะต้องอยู่กับเขา เราก็วุ่นวายใจไม่สบายใจเราต้องพิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีในขณะที่เขาอยู่เราไม่สามารถที่จะให้เขาไปได้เราก็ต้องทำใจสำหรับคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักถ้าเขา อยู่กับเราเราก็จะดีใจมีความสุขแต่เราก็จะไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วไม่เขาก็เราจะต้องไปต้องจากกันไปอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆถามตัวเราเองว่าเรารักใครเราชอบใคร เราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมอต่เขาจะอยู่กับเราไปนานๆได้หรือเปล่าหรือเราจะอยู่กับเขาไปนานๆได้หรือเปล่าเรากับเขาจะไม่มีวันจะต้องจากกันหรืออย่างไรถ้ามันมาถึงวันนั้นวันที่จะต้องมีการจากกัน เราจะทำใจอย่างไรถ้าเราคอยหมั่นสอนใจเตือนใจถึงความเป็นจริงอันนี้ว่าจะต้องมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นญาติสนิทมิตรสาหหรือเป็นสิ่งของต่างๆ เช่นราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกวิ้นายเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดพ่าจากกันอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยเ ร, ยเราจะเตรียมตัวเตรียมใจและปรับใจของเราหาดูแบบไม่ต้องมีเขาให้ได้ ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีบิดามารดาไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีบุตรทิดาไม่ต้องมีญาติพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวนี่แหละดีที่สุดแม้แต่ร่างกายนี้ ก็ต้องจากเราไปการอยู่คนเดียวนี้ก็หมายถึงว่าแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ยังอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปเช่นเดียวกันและการที่เราจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีบุคคลต่างๆไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเราต้องมีธรรมเท่านั้น ถึงจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลำพังได้ธรรมงสารนังกัจฉานี้เราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกาย ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งบุตร ธ, ธดาพึ่งญาติสนิทมิตรสหายพึ่งร่างกายของเราเองเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวนไม่ช้าเขาเร็วเขาก็จะต้องจากเราไปและเวลาที่เขาจากเราไป เราไม่มีที่พึ่งเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเดือดร้อนจนกว่าเราจะหาที่พึ่งใหม่ได้เช่นสามีจากไปถ้ายังต้องการมีสามีก็ต้องไปหาสามีใหม่ลูกจากไปถ้ายังอยากจะมีลูกก็ต้องหาลูกมาใหม่ถ้าคลอดเองไม่ได้ก็ไปขอเด็กมาเลี้ยงเป็นลูก เพราะเรายัางพึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อมาให้ความสุขกับเรานั่นเองเพราะว่าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมังสราระณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งถ้าเรามีธรรมังสะระณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งลาบยศสารเสริญ ไม่ต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายไม่ต้องพึ่งทรัพสมบัติไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลื่นกายไม่ต้องพึ่งร่างกายคือชีวิตอันนี้พระพุทธเจ้าท่งสอนให้สละให้หมดสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสละอวัยวะคือความสุขทางตาหูจมูกลื่นกาย และให้สละชีวิตสละร่างกายอันนี้ถ้ามันต้องไปให้มันไปไม่ต้องไปพึ่งมันมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งมันเป็นภาระฮเวปัญจขันธามันเป็นภาระที่ใจจะต้องแบกตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายผู้ฉลาดนี้จึงไม่กลับมาเกิด ไม่กลับมาแบกภาราฮเวปันจักขันทานนี้ไม่มาแบกขันรูประขันนี้เพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองตั้งแต่เกิดออกมานี้ก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์กับการหายใจเข้าออกทุกข์กับการหาอาหารหาน้ำหาอะไรต่างๆมาดูแลเลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความชราภาพของร่างกายแล้วก็มาทุกกับความตายของร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดให้สละให้หมดทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเวลาทรัพย์หมดไปนี่ก็วุ่นวายเดือดร้อนเวลาอวัยวะเสื่อมไป เวลาตาหูจมูกล่้นกายเสื่อมไปก็เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปก็เดือดร้อนอยานั้นอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้มาพึ่งธรรมะนี่คือความหมายของพาาระพุทธเจ้าที่ทรงตัดให้ละสละทรัพย์สละอวัยวะสละร่างกาย เพราะถ้าไม่ละก็ยังจะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถไปสร้างธรรมะให้เป็นสารนังกระชามิขึ้นมาได้นั่นเองผู้ที่ต้องการธรรมังสารนังกระฉามิจึงต้องละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะต้องมีการพัดพากจากกันไปถ้าเราเห็นการพัดพากอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดไปพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขพราะเวลาที่เขาพัดพากจากไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไป แล้วก็จะเหลืออยู่แต่ความอยากได้กับคืนมาเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธการมีแม่คนหนึ่งคลอดลูกออกมาเป็นทารกเล็กๆอายุไม่กี่วันก็เสียถึงแก่กรรมไปเสียชีวิตไป แม่ที่รักลูกก็อยากจะให้ลูกฟื้นกลับคืนมาร้องห่มร้องไห้นอนกอดลูกไม่ยอมไปทำอะไรชาวบ้านเห็นเขาก็สงสารก็เลยบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้เธอก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกของเธอฟื้นกลับคืนมา เธอก็เกิดมีความดีใจมีกำลังใจอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าช่วยทำให้ลูกของเธอฟื้นกลับคืนมาพระพุทธเจ้าทรงตรอบไปว่าอ๋อง่ายมากเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไร เพียงแต่ว่าเธอต้องไปหาเมเล็ดผักกาดมาให้เราซักกำมือหนึ่งและเมล็ดผักกาดนี้จะต้องมาจากบ้านที่ไม่มีการพัดพรากจากกันไม่มีคนตายจากกันพอจะได้ยินอย่างนั้นเธอก็รีบกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อจะไปขอเมล็ดผักกาดจากเพื่อนบ้านมา พอเธอ <c oughs> เข้าประตูถามบ้านแรกถามว่ามีเมล็ษผักกาดหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีแล้วมีคนที่ตายมีการพัดตากจากกันในบ้านนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีไปบ้านที่สองบ้านที่สามจนถึงบ้านสุดท้ายก็มีคําตอบเหมือนกันหมด ทุกคนทุกบ้านนี้มีการพัดภาคจากกันนีไม่ปู่ไม่ยา่าก็ตาก็ยายหรือทวดไม่ไม่พี่กะนะ็น้าอาไม่ก็น้องไม่ก็ลูกไม่ก็หลานมีการพัดภาคจากกันทุกบ้านไม่มีบ้านไหนไม่มีการพัดภาคจากกันพอเธอได้พบกับความจริงอันนี้ เธอก็เลยมองกลับมาที่ตัวของเธอเองแล้วก็พิจารณาว่าเราก็เป็นเหมือนเขาเขาก็เป็นเหมือนเราเราไม่ได้เป็นคนที่สูญเสียเพียงคนเดียวทุกๆคนนี้ก็มีการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นเสียมากเสียน้อยเสียช้าเสียเร็วไม่ช้าก็ต้องเสียไป ถึงแม้ว่าลูกคนนี้จะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวในที่สุดเขาก็ต้องแก่ตายไปอยู่ดีพอเธอพิจารณาความจริงอันนี้ได้ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากความอยากให้ลูกฟื้นขึ้นมาก็หมดไปความทุกข์ใจก็หมดไปเพราะเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของชั่วข่าวมีวันที่จะต้องหมดไปมีวันที่จะต้องจากกันไปมาทุกข์กับเขามันก็เป็นความง่เขาเบาปัญญานี่คือสิ่งที่ทำให้คนเราหายทุกข์ได้เวลาที่จะต้องเผชิญกับการทัดท่าจากกัน ก็คือต้องยอมต้องเห็นความจริงและยอมรับความจริงอันนี้ไม่ฝืนไม่ต่อต้านความจริงว่าพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความเสมอภาคในเรื่องของการสูญเสียเสียกันหมดทุกคนได้มากได้น้อยก็ต้องเสียกันไปหมดเพราะทุกคนก็มาตัวเปล่า และเวลาไปก็ไปเปล่าๆตัวเปล่าๆผู้ที่มานี้ก็คือจิตนี่เองจิตใจจิตใจมาได้ร่างกายพอร่างกายจเจริญเติบโตก็ใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของตนมาให้ความสุขกับตนได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกิ้นกาย ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดาได้ญาติสนิทมิตรสาหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับตนแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะในที่สุดก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป เหมือนกับเวลาที่มาก็ไม่มีอะไรมาติดตัวมานอกจากความสุขหรือความทุกข์หรือความโง่หรือความฉลาดส่วนใหญ่ที่ยังกลับกันมาอยู่นี้ก็เพราะความโง่นั่นเองโง่ที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขไม่รู้ว่าเป็นกองไฟ เหมือนกับแมงเมาที่เห็นกองไฟแล้วแทนที่จะบินหนีกับบินบินเข้าหากองไฟเพราะเห็นแสงสว่างชอบแสงสว่างของกองไฟ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเวลาเข้าใกล้กองไฟนั้นจะต้องเจอความร้อนที่จะต้องฆ่าแมลงนั้นไป เวลาเข้าไปถึงกองไฟก็ <c oughs> สายไปเสียแล้วออกมาไม่ได้ก็จะต้องทุกขกับมันไปแต่ผู้ที่มาเกิดในยุคที่มีสมัยในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่อยู่นี้จะ มีผู้ที่จะคอยตักคอยเตือนคอยห้ามไม่ให้บินเข้าหากองไฟถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนจะไม่มีใครมาห้ามจะมีแต่ยุยงส่งเสริมให้บินเข้าหากองไฟกันจะมีแต่ยุยงส่งเสริมให้หาลาบยศสรรเสริญ ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้หาความสุขจากบุคคลต่างๆจากบิดาจากมารดาจากสามีจากภรรยาจากบุตรจากธิดาจากญาติสนิทมิตรสหายแล้วผลเป็นอย่างไรผลก็คือความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ เกิดการพัดพาาจากกันไปตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยเตือนเราว่าอย่าบินเข้ากองไฟให้บินออกมาให้ไปหาที่เย็นไปหาธรรมะกันอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐปะ อย่าไปหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อย่าไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหาธรรมะกันธรรมะนี้จะทำให้ใจของเราสงบแล้วถ้าใจเราสงบแล้วใจเราจะไม่หิวไม่โหยไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรใจของเราอยู่ได้ตามลาพังอยู่กับความสงบนี้ ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองที่เกิดจากการเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆและสิ่งที่เราได้นี้ก็เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ไม่มีวันที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะเรามีบุญมีวาสนาะที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้ารงเราจะเคยบำเพ็ญบุญวาสนาะ มามากน้อยเพียงไรนี้ไม่สาคัญสาคัญที่ว่ามีพระพุทธศาสนานำทางเราหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานำทางต่อให้มีบุญวาสนามามากน้อยเพียงายก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ ไม่สามารถอยู่ตามลำพังของตนเองได้ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วจะมีวาสนาน้อยมีบุญกุศลมากน้อยไม่สำคัญขอให้มีความเชื่อแล้วขอให้มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นแล้วก็ไม่จำกัดเพศกับวัยด้วย ทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะปฏิบัติและรับผลจากการปฏิบัติได้ทุกคนเพราะมีผู้ที่ได้รับผลมาแล้วทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะผู้ครองเรือน เพศวายนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญบุญวาสนาที่ได้สะสมมาก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเท่ากับพระพุทธศาสนาเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรุและประกาศพระธรรมคำสอน<ๆ>ก็มีบุคคลทุกเพศทุกวยัยทุกระดับของบุญกุศล แต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถสร้างทำมังสาระนังกระฉามิขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นมันไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญเท่ากับปัจจัยคือพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพอมีคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไรบ้าง มีบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกระดับของวาสนาบารมีถ้ามีมากก็บรรลุเร็วมีน้อยก็บรรลุชา้าแต่ก็ไม่เกินเจ็ดปีอย่างที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้พวกที่วาสนาบุญบาลมีน้อยก็ยใช้เวลานานหน่อยพวกที่มีวาสนามีบุญบาลมีมาก ก็ใช้เวลาน้อยหน่อยบางคนเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีดังนั้นไม่ควรที่จะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องบุญกุศลบารมีต่างๆที่ได้เคยทำมาแล้วในอดีตมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับ ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเถดเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงวิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนี้แล้วนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน เท่านั้นแหละแล้วรับลองได้ว่ามัรผลนิพพานนี้มันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนมันไม่ได้เกิดจากเพศจากวัยมันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปหมด เพราะถ้าเราเห็นภัยอันนี้แล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวหาเครื่องมา้าเครื่องมือมาสู้กับภัยที่จะเกิดขึ้นนี้เหมือนกับเรารู้ว่าบ้านของเราจะต้องไฟไหม้อย่างแน่นอนเรายังจะไปซื้อประกันภัยมาอีกหรอซื้อมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประกันภัยมันไม่ห้ามไฟไม่ให้ไหม้บ้านได้ แต่สิ่งที่จะดับไฟได้ก็คือเครื่องดับเพลิงเตรียมน้ำไว่มากๆซลซื้อเครื่องดับเพลิงมาไว้มากๆพอไฟมันลุกก็จะดับมันได้อย่าไปซื้อประกันภัยประกันภัยมันเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองมันจะมาดับไฟที่เกิดลุกขึ้นมาในบ้านเราได้อย่างไรนี่แหละเราจะต้องพัดพาคจากกันเราต้องเอาอะไรมาสู้กับมัน เราก็ต้องเอาธรรมังสรนังกระชามิมาสู้กับมันเราต้องปฏิบัติทมจนใจของเรานี้เข้าสู่ความสงบได้เพราะเมื่อใจเราสงบแล้วจะมีแต่ความสุขนัรรติสันติบาังสุขขังไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะสู้กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ แล้วไม่มีความทุกข์อันใดที่จะมาล้มล้างความสุขที่เกิดจากนัตถิสันติปรังสุขขังนี้ได้ต่อให้บ้านไหม้ไปหมดมันก็ไม่มาลบล้างความสุขใจนี้ได้ต่อให้สามีภรรยาทิ้งเราไปมันก็มาลบล้างความสุขภายในใจของเราไม่ได้ต่อให้พ่อให้แม่ให้บุตรให้ธิดาให้ญาติสนิทมิสหายโน้มหายตายจากเราไป มันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนกัแบบการพัดพราจากกันเลยนี่แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราเราต้องมาเปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่ที่พึ่งที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนกองไฟไม่ช้ากรเร็วมมันจะเผาเราเผาใจของเรา เราต้องออกจากกองไฟนี้แล้วมาหาที่พึ่งใหม่มาหาธรรมังสรรารนังกรามีกันมาปฏิบัติธรรมกันมาอยู่คนเดียวสละทุกสิ่งทุกอย่างไปสละได้นานหรือไม่นานก็ทำไปครั้งหนึ่งได้สามวันก็ยังดีครั้งต่อไปอาจจะได้เจ็ดวันครั้งต่อไปอาจจะได้สิบห้าวัน ครั้งต่อไปอาจจะได้เดือนหนึ่งทำไปเรื่อยๆเพิ่มมันไปเรื่อยๆผลมันเกิดจากการกระทำถ้ามีการกระทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผลก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะได้ผลอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะไม่แยแสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันจะเห็นว่าเป็นไัย เห็นว่าเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันเราต้องเปลี่ยนที่พึ่งกันเราต้องมาหาธรรมังสะระนังกระฉามิกันด้วยการปล่อยวางที่พึ่งต่างๆสิ่งต่างๆไปตามกำลังตามวาระตามโอกาสปล่อยได้เท่าไหร่ปล่อยได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยไปบางท่าน มีวันหยุดห้าวันเจ็ดวันก็มาสร้างสาธาร ะ, ะกันปล่อยเรื่องของทางราบยศสระเสริญสุขไปแล้วถึงแม้ว่าจะได้เพียงห้าวันเจ็ดวันมันก็ยังดีกว่าไม่มาเลยแล้วพอกลับไปทำงานทำการกลับไปเจอกับกองทุกข์ก็จะได้รู้ว่ามันไม่ดี การมาอยู่ตามลาพังมาสร้างความสงบให้กับใจมันดีกว่าก็หาเวลาหาโอกาสออกมากพิจารณาความพัดผ่าจากกัรอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ว่าแล้วอยู่ไปทำไมอยู่ไปกันดูแลกันไปแทบเป็นแทบตายแล้วผลสุดท้ายมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องจากกันอยู่ดี จะจากด้วยการถูกบังคับให้จากด้วยจากด้วยการที่เราบังคับตัวเราให้จากถ้าเราจากด้วยการบังคับตัวเราให้จากเราก็จะมีเวลาไปสร้างสรารนะไปสร้างที่พึ่งถ้าจากเพราะถูกบังคับเราอาจจะไม่มีเวลามาสร้างที่พึ่งถ้าเราตายจากเขาไปเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างธรรมรังสารังข้าฉามนี้กัน หรือข้าเขาจากเราไปเราอาจจะเสียอ ก, กเสียใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะไปสร้างสาธาระสร้างที่พึ่งก็ได้อาจจะไปหาผู้อื่นมาทดแทนสูญเสียคนนี้ก็หาคนใหม่มาทดแทนอันนี้ก็ได้มาเท่าไหร่มันก็เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเหมือนกันหมด มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันต้องมีวันสิ้นสุดแต่สิ่งที่ถาวรสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนีที่จะเป็นที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอดไม่ว่าจะมีร่างกายนี้หรือไม่มีร่างกายนี้ และเมื่อไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่คิดที่อยากจะมีร่างกายอันใหม่เพราะเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องพัดพากจากใจไปแต่เห็นได้ชัดว่าความสงบที่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ มันไม่จากใจไปมันอยู่กับใจไปตลอดมันเป็นปรมังสุขขังนี้ความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอาหารหันต์ก็เกิดจากการที่ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขใจเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่สนใจกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขที่ได้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้พราะพิจารณาอยู่เนืองๆว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันไปเมื่อมีการพัดพากจากกาันไปก็ต้องมีการสูญเสียความสุขต่างๆไปเมื่อไม่มีความสุขแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่ ก็เหลือแต่ความทุกข์ใจความทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจเราจึงควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องมีการพักภากจากกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้รีบหาที่พึ่งงานใหม่แทนที่พึ่งงานเก่าที่จะต้องมีวันหมดไป ที่พึ่งกันใหม่นี้ก็เป็นนานๆานจะมาปรากฏให้เราได้พึ่งกันสักครั้งหนึ่งก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็ยังจะหลงอยู่กับที่พึ่งแบบเดิมๆที่จะต้องมีการพลัดพรากจากกันแล้วก็ต้องร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปตอนนี้เรา สามารถที่จะหาที่พึ่งอันใหม่ได้สามารถไม่ต้องพึ่งที่พึ่งแบบเก่าได้ไม่ต้องมาสูญเสียไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ได้ถ้าเรามาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบสร้างความสุขทางใจกันด้วยการเปรีวิเวกมาอยู่ ตามำพังมาควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้มีเวลาว่างมากน้อยเพียงใดก็มากันตัดอะไรได้ก็ตัดไปลองคิดเสียบ้างว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้แล้วสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เขาจะอยู่กันได้หรือไม่ เขาจะอยู่ได้หรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วทำไมเราจรึงต้องมาถือว่าเราเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมาคอยดูแลเขามารับใช้เขาเวลาเราตายไปวันนี้เขาจะอยู่อย่างไรเขาก็อยู่ของเขาไปไปดูครอบครัวที่เขาสูญเสียบิดามานดาด้ทํทำไมเขาก็มีทางของเขาไปอยู่ดี ชีวิตของคนทุกคนมันมีทางของมันไปมันก็ไปของมันจนกว่ามันจะไปไม่ไหวนั่นแหละไปไม่ไหวมันก็ตายกันเราให้มีพ่อมีแม่มีใครคอยดูแลก็ตามถึงเวลามันจะตายมันก็ตายของมันอยู่ดีถึงเวลาไม่มีพ่อไม่มีแม่ถึงเวลามันไม่ตายมันก็ไม่ตายคนที่เป็นเด็กกำพร้าตัวขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็มีร่ำรวยก็มี ทำไมเราจะต้องไปกังวลกับลูกหลานของเราให้มากจนเกินไปทำไมเราไม่กังวลถึงตัวเราบ้างเราไม่กังวลถึงเราไม่กังวลถึงการที่จะต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เลยเราชอบหรือเราชอบการเวียนว่ายตายเกิดกันหรอแล้วเราดูแลรักษาคนนั้นคนนี้ ได้สักกีป่ปีเขาอยู่ได้สักกีป่ปีเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปด้วย ร, ราก็ตายจากเขาไปแล้วเขากับเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแต่ถ้าเราปล่อยเขาเราแยกออกจากเขามาอย่างพระพุทธเจ้าท่านออกจากพระราชวังแยกออกจากครอบครัวแล้วมาบำเพ็ญจนท่านได้พบกับธรรมังสรนังกัจฉามี เสร็จ แ, แล้วท่านก็กลับไปสอนเขาไปชวนเขาเขาก็ตามท่านมามาปฏิบัติมาสร้างสารนังกระฉามนิสกันขึ้นมาแล้วผลเป็นยังไงเขาก็หลุดพน้นตามพระพุทธเจ้าหลายรูปหลายคนด้วยกันอพญาของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาพระพุทธมารดาเอพระมารดาเลี้ยงพระมาเหสี พระราโชรสเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามากมายขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบระหว่างการอยู่ในวังกับการออกบวชนี่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากพระพุทธเจ้านี้เลยจากพระมหาจัารจากรพรรดินี้มันต่างกันอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในวังก็ทําให้เขาอยู่ในวังอย่างมีความสุขแต่มันก็เป็นชั่วอายุไขนี้เท่านั้นเอง พอเขาตายไปแล้วเขาก็ต้องกลับไปเวียนไหวยตายเกิดต่อไปแต่พระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าเองตัวพระมหาจากักรพรรดิเองก็ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดต่อแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเปล่นตัวออกมาเพื่อมาแสวงหาธรรมังสาวนังกระชามิพอได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องกลับไปเวียนไหวยตายเกิดต่อไปแล้วพญาต่างๆพระราชบิดาพระ พระพุทธมารดาออพระมารดาเลี้ยงมาเหสีออพระราโชรถก็ได้สรณนังกระชามีกันจากการที่พระเจ้าเป็นผู้เบิกทางออถ้าพระเจ้าไม่ออกบวยเขาก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เขาก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เ, ออเออขาก็จะไม่ได้ อ, อพบกับ ตอนะที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่จะเป็นที่พึ่งของเขาไปตลอดอนอันตาการไม่มีวันสิ้นสุดคิดดูถึงผลที่จะพึ่งได้รับจากการกระทำสองรูปแบบด้วยกันการช่วยเหลือกันทางร่างกายทางราบยศสารเสริญุขกับการช่วยเหลือกันทางจิตใจ นี้อันไหนมันมีคุณค่ากว่ากันมีประโยชน์ต่อกันถ้าเราออกมาปิดวิเวกต่อไปเขาอาจจะตามเรามาก็ได้พอเข้ามาเห็นเราเห็นเรามีความสุขเขาก็ถามเราว่าทำอย่างไรพอเขาอยู่ทางโลกพอเ็าเริ่มสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เขาก็อยากจะออกจากกองทุกข์นี้ แล้วใครจะเป็นคนสอนให้เขาได้ง่ายกว่าคนอื่นะก็เคยพ่อแม่มสอนลูกได้ลูกเชื่อพ่อเชื่อแม่อฟังคนอื่นนี่บางทีไม่แน่ใจแต่ฟังพ่อฟังแม่นี่มีความเนื้อแน่ใจเพราะพ่อแม่เคยสอนตนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดออกมานี่แหละทําให้ผู้อื่นจะได้รับประโยชน์แต่ในเบื้องต้นเราต้องทําใจ เราต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาถ้าเขาอยู่เขาได้เขาไม่เดือดร้อนก็ไปเถิดอย่าไปเสียเวลากับการเลี้ยงดูเขาห่วงใยเขาเลยให้คิดสมมติว่าเราตายไปวันนี้แล้วเขาก็ต้องอยู่ของเขาได้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องตายไปคนที่มีพ่อมีแม่ก็ตายไปก็มีมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูอย่างดี ก็ยังตายไปได้เอช้านี้บินตบาดมีญาติโยมคนหนึ่งใส่บาตรก็พอดีนึกได้ว่าลูกชายเขาเคยมาบวชมื่อหลายปีก่อนก็เลยถามว่าเป็นไงลูกชายว่าตายไปแล้วตายเมื่อสองปีนี่ถูกเขายิงตายอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วจะไปเอาอะไรกับชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตของคนอื่นเนี่ยไปกังวลมากนะคนมากังวลกับชีวิตของเราดีกว่ามันไม่เป็นการเห็นแก่ตัวถ้าเป็นเห็นแก่ตัวเวลาตายก็ต้องทุกคนตายนี้ก็ต้องเห็นแก่ตัวสิมึงตายไม่ได้มึงตายแล้วมึงเห็นแก่ตัวเนี่ยว่ามึงทิ้งกูไปเอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตนโนนาโถทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตนสมมุติเรา ไป อ, อยู่ที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ด้วยกันหลายคนต้องการหมอต้องการยาแล้วเราเป็นคนที่สามารถวิ่งไปหาหมอหายาได้เราไปหาหมอหายามาช่วยคนอื่นที่เขาไปไม่ได้นี่จะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราไปก็ไปหาหมอหายาเพื่อที่จะได้มาช่วยรักษาคนที่ป่วยที่ไม่สามารถที่ จะไปหาหมอหายาได้ด้วยตนเองการไปปีกเว่ยเวการไปปฏิบัติเพื่อไปสร้างสระังกระชามินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปหาหมอหายาเรามีกำลังเราไปได้แต่คนอื่นเขาไม่มีกำลังเขาไปไม่ได้เขาติ ด, นต ด, นตดเนื่องติดนู่ติดเรื่องนู้นติดเรื่องนี้พลุงพลังไปหมดแต่เรานี่มีความสามารถลราตัดสิ่งต่างๆได้ เราไปหาหมอหายามาไดา้ทำไมเราไม่ไปนำมัวมานั่งคอยพยาบาลเขาโดยที่ไม่มีไม่มีหไม่มีอยู่ไม่มี ย, มมยาพยาบาลตายมันก็ตายเท่านั้นแหละ mm. อันนี้ก็เหมือนกันมาดูแลกันตายไปมันก็เวียนว่ายตายเกิด อ, อย่างนั้น mm. ไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราออกไปปีกวิเวกไปหาสารนังกระชามิ ไปปฏิบัติธรรมสร้างสรรนางกระชามีให้เกิดขึ้นมาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนีมันไม่เกินเจ็ดปีหรอกอย่าไปให้กิเลสมันหลอกเราว่าเราชาตินี้ไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาอันนั้นเป็นคำสอนของกิเลสคำสอนของพระเจ้าบอกว่าเจ็ดปีเป็นอย่างมากขอให้เจริญสติให้อย่างต่อเนื่องไปเถิด แล้วมันจะพาเราไปสู่สมาธิพาเราไปสู่ปัญญาพาเราไปสู่วิมุตติอย่างแน่นอนอย่าวไปเชื่อกิเลสกิเลสมันชอบหลอกเราอยู่เรื่อยๆภายใ น, ในใจของเราหลอกว่าเราชาตินี้ไม่มีวาสนาปฏิบัติไปก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องเจ็ดเดือนเจ็ดปีให้เสียเวลาไป นี่แหะขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิท่านเป็นผู้ยืนยันว่าปฏิบัติได้ภายในชาตินี้แน่นอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าท่านก็บรลุในชาตินี้พระอาหารหันตสาวกท่านก็ยืนยันว่าท่านก็บรลุในชาตินี้น ไม่มีใครบอกว่าชาตินี้เราจะไม่มีโอกาสวาสนาที่จะบรรลุได้ผู้ที่คิดอย่างนั้นแหละเป็นผู้ที่ตกหลุมพรางของกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงไว้ไม่ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามพิจ า, ารณากันอยู่เนืองๆว่าเรามีการพัฒพาจากการเป็นธรรมดาไม่ช้าไม่ช้าก็เร็ว เราควรที่จะรีบมาสร้างที่พึ่งอย่างใหม่แทนดีกว่าอย่าพึ่งสิ่งต่างๆอย่าพึ่งบุคคลต่างๆที่จะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดดูแลกันไปให้ดีขนาดไหนตายไปมันก็จบตายไปก็ต้องกลับไปเวรไหว้ตายเกิดใหม่แต่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังแล้วขาอยู่ของเขาได้ แล้วเราก็มีเวลาที่เราจะได้ไปบำเพ็ญของเราพอเราได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราก็กลับมาหาเขามาสอนเขาได้ถ้าเขาสนใจเขาก็จะได้ที่พึ่งทางใจเขาก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติกันพิจารณาอยู่เนือ ง, งว่าเราจะต้องมีการพัดผาจากกัน แล้วอยากกันเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อที่เราจะได้ไ้สร้างสารณไปสร้างที่พึ่งกันเราได้ที่พึ่งแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกไม่ได้ไตไหนหรอกเนี่ยเนี่ยเราไปไหนเนี่ยก็เจอญาติโยมอยู่ทุกวันเนี่ยเจอเยอะยิ่ยงกว่าสมัยที่เราไปอยู่คนเดียวเลยเจอถ้าไม่อยากจะเจอไม่ต้องกลัวหรอกจะไม่เจอใครเจอกันเยอะแยะแต่เจอแบบไม่ยึดไม่ติดก็ไจเ้เลยเจอแบบไม่ทุกข์ เขามาหรือเขาไม่มาไม่ทุกข์เขาจะไปหายไปเลยก็ไม่ทุกข์ว่าไม่ได้พึ่งใครทั้งนั้นใจมีที่พึ่งของตนอยู่แล้วมีสานังกระฉามีมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ามีอันนี้แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นมีแต่ต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาเขาจะมาพึ่งเรานี่ยเราจะต้องเหนื่อยเขาวันนี้เลยต้องหลบ หนึ่งหนึ่งวันตอนเช้าไม่ลงศาลาถ้าลงก็ไม่ได้กินกินก็กินแบบสองคำาก้คนนั้นก็เข้ามากินสามคำคนนั้นก็เข้ามากว่าจะเสร็จก็สายไม่ทันไปลงปฏิโมก็เลยเดี๋ยวนี้วันที่ลงปฏิโมกนี้จะไม่ลงไปฉันที่ศาลาจะไปบินทบาดตอนเชา้าแล้วก็กลับไปหา คนไม้ตรงไหนนั่งอยู่คนเดียวฉันคนเดียวฉันแป๊บเดียวก็เสร็จเมื่อเช้านี้ฉันเสร็จประมาณสองโมงเช้ามีเวลาพักอยู่สามสี่ชั่วโมงก่อนที่จะลงปฏิโมกถ้าลงศาลานี่กว่าจะกลับถึงกุฏิก็เกือบสิบเอ็ดโมงไม่มีเวลาพักต้องกลับมาสาวกุฏิก็ต้องมาล่างหน้าแปรงฟันมาทํำกิจส่วนตัว อ่าจะเสร็จก็ต้องรีบไปลงโบสถ์ลงปฏิโมกออกจากปฏิโมกมาก็ต้องมาขึ้นศาลาบนเขาต่อมันก็เลยตายท่านั้นนี่แหละเป็นสรานังกระฉามิของผู้อื่นเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องรู้จักจัดการบ้างรู้จักจัดการเวลาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป <c oughs> ก็มีสองทางเลือกเคยเลือกอยู่ทางหนึ่งก็คือไม่ลงปฏิโมกมันยอม อยู่กับศาลาปวดญาติโยมไปแต่ก็โดนทางพระดา่าหาว่ากิจสาคัญไม่ลงปฏิโมกก็ถือว่าเป็นกิจสาคัญอย่างมากกลับไปหาว่าไปสงข้อญาติโยมไปเอาใจญาติโยมก็เลยต้องเปลี่ยนตอนนี้ไม่สงฆข้อญาติโยมหนึ่งวันเดินละสองครั้งขอเป็นวันหยุดขอสงข้อตัวเองบ้างสักวันหนึง่ง ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อสารณ ะ, ะที่พึ่งที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราปะรุปรเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปวเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตผวตวันตราโยสุขีธีคายุโกผวะอภิวาธนาสีลิษานิจังวุฒาประจายนโนจตารโอธรมาวทานติอายุวันโอสุขังพาลัางตอไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาะรร อาถามประจำอ่าถามมาถามอาจารย์ครับคือคำว่าสาธุกับยินดีในบุญนี้มันเหมือนกันไหมครับแตกต่างกันไหมเพราะว่าตามวัดที่ผมเจอสนมากก็เป็นสาธุแต่บางวัดบางวัดก็ใช้ ย, ยินดีในบุญครับสาธุมันเป็นคำภาษาบาลีทีเราไม่รู้เขาแปลว่ า, างไงก็ยอ่านว่าแปลว่าดีแล้ว ดีแล้วอดีแล้วใครทําอะไรก็ว่าษาทีวดีแล้วดีจ้าดีครับครับแล้วยินดีในบุญหร่าครับมันใช้ได้ไหมครับมันินดีในบุญเป็นภาษาไทยไงแปลเป็นไทยแล้วใช่ไหมคุณจะพูดอะไรก็ได้มีใครก็ไปห้ามคุณนะอ๋อใช่ไหมครับเอ่ครับแล้วก็ข้อต่อไปครับอ่าคําว่า พ, พูดทธประธระสงค์ถ้าตัดเอาพูธทำสงนี้มันถูกต้องไหมครับ ได้ยังไงอ่าคือย่อๆครับ uh huh. อ่าเป็นอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางคนเขาบอกว่าพุทธธรรมสงฆ์อะไรอย่างนี้ถือพุทธธรรมสงฆ์อะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ที่ว่าคนจะเอาอะไรเอาความหมายมันก็เหมือนกันมอนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาความความเคารพมันก็อาจจะไม่มีพุทธธรรมสงฆ์มันอาจจะ พอาพระมานำหน้าได้ใช่ไหมครับ อ, อยังเวลาเขาเรียกคุณมึงกับเรียกคุณเองคนณนี่คุณจะเอาอันไหนครับผมเข้าใจแล้วครับอ่าข้อต่อไปครับคือการที่จะบรรลุธรรมนี้มันต้องบวชอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นฆราวาสหรือไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วเมื่อกี้เทศไม่ได้ฟั ง, อ, งอยู่ครับแต่อยู่ที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมัยก่อนที่บรรลุมีทั้งพระทั้งคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การบวชอย่างเดียวเพียงแต่ว่าการบวชมันเ อ, อื้อมันทําให้ง่ายและร ว, วดเร็วอุปสรรคมันน้อยเหมือนกับคารวะบนทางด่วนกับคารวะบนชั้นล่างนี่อันไหนมันจะเร็วกว่ากันคนขับรถไปกรุงเทพ น, นะคุณเสียเงินค่าขึ้นทางด่วนหน่อยคนประหยัดเวลาไปตั้งเยอะแต่คนต้องเสียค่าทางด่วน คนที่ออกบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างไปครับผมเข้าใจแล้วครับยังนะครับใครอยากจะถามเราไปป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณอาลีที่บ้านขายอาหารตามสั่งเขาค่าปลาดุกกบทุกวัน เพื่อนํามาทําอาหารขายน่าจะบาปจะแค่จะแก้ไขยอย่างไรครับพระอาจารย์คงไม่แนะนําให้เลิกขายทั้งปลาดูกและกบนะครับเพราะเป็นอาหารที่มีประจําร้านก็ไปซื้อของที่ตายแล้วไงอย่าไปซื้อของเป็นมาฆะเช่นไปที่ตลาดแล้วเขามีปลาที่เขาฆ่าแล้วแช่เย็นอยู่นอะไรอย่างเนี้ยถ้าไปซื้อของตายมาแล้วไม่บาปเพราะคนอื่นเขาทําบาปให้เราแล้วคนที่ คนที่ฆ่าน่ะบาปแต่คนที่ไม่ฆ่าไม่บาปคนที่กินก็ไม่บาปแต่ถ้าคนไปชี้ว่าอปลาตัวนี้ในตู้นี่อย่างนี้บาปเพราะสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีก็ถือว่าบาปคำถามต่อไปจากคุณยูบิควิ ส, สัสข้อหนึ่งขอทราบความแตกต่างระหว่างการฟั่งทำรอบสดกับรอบบันทึกเสียงซึ่งตามฟังภายหลังครับ ถ้าเนื้อหาสาระมันก็เหมือนกันไม่ใช่หร้อไม่ใช่ว่าสดกับไม่สดนี่มันจะบูดอย่างเนี้ยที่อาจเสียงนี้ในวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปฟังมันมันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อที่สอง ถ้าเรามีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อใดหรือสภาวะใดควรถามในรอบสดเพื่อให้พระอาจารย์ชี้ให้รู้ให้เห็นแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือถามสดมันก็ดีถ้าตอบแล้วยังไม่เคลียยังไม่ชัดก็ถามต่อได้แต่ถ้าถามผ่านทางบ้านอย่างนี้ก็ตอบไปแล้วคนคนฟังก็อาจจะไม่ชัดแต่ก็ ไม่สามารถที่จะถามได้ถามได้ก็ต้องเขียนถามอีกแล้วก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งพอดีตอนนั้นก็ลืมไม่ใช่แล้วมัถามอะไรคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามทำไมพอมาปฏิบัติธรรมจริงจังแล้ว ทุกขกับความคิดคะทั้งๆ ท, ที่ทาใจยอมรับกับความทุกข์ความลำบากทางกายได้บ้างแล้วทั้งที่ก่อนปฏิบัติไม่รู้สึกทุกข์กับความคิดเลยหรือว่าจริงๆความทุกข์แบบนี้มีอยู่ในใจทุกดวงของสัตว์โลกเพียงแต่ว่าจะรู้สึกหรือไม่ใช่ไหมคะโืยเวลาเรามาปฏิบัติธราเนี่เราต้องตัดกิเลสหนอย่างดูหนังฟังเพลง เที่ยวกินอะไรต่างๆอยนี้พอเราไม่ได้ทํามันก็ทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมมันทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้เสพกวามที่เราเคยเสพเราเคยติดบุหรี่สมมติเราจะเลิกบุหรี่พอเราไม่สูบบุหรี่นี้เราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลเาเกิดความอยากสูบขึ้นมาพอมันทุกข์แล้วมันคิดอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดคิดเรื่องอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดเพราะว่า เวลาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้ทำตามกิเลสนั่นเองกิเลสนันก็เลยแผลงริ์เนี่ยิ์ของกิเลสก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราก็ต้องยอมทนเอาต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการบีบหนองถ้าไม่บีบหนองออกมาแผลมันก็ไม่หายหรือว่าถ้าถูกน้ำบง่งยอกน้ำนำ้ถ้าไปเยียบน้ำน้ามันฝังอยู่ในเท้าอย่างเงี้ยเดินทีไรมันก็เจ็บ ถ้าเราไม่บ่งมันออกมันก็จะไม่หายเจ็บแต่เวลาบ่งมันก็ต้องเจ็บแต่เจ็บเดียวเดียวเจ็บแล้วเดี๋ยวพอแพ้หายแล้วมันก็หายเจ็บไปตลอดอการมาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทุกข์เพราะมันเป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นเหมือนเสี้ยนน้ำฝังอยู่ในหัวใจของพวกเราถ้าเราไม่ถอนมันมันก็จะสร้างความเจ็บของให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมทนเจ็บ เบื้อจากการปฏิบัติธรรมทอนกิเลส ต, ต่างๆออกมาพอกิเลส ต, ต่างๆถูกทอนออกไปหมดแล้วเทนี้หายเจ็บตลอดเลยไม่มีวันเจ็บอีกต่อไปฉะนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้ดีกว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราทุกต้นแต่สุปลายทุกตอนที่เราต้องต่อสู้กับกิเลส ต, ต้องถอดถอนกิเลสแต่พอกิเลสหมดแล้วก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเรื่อเอาจะแบบ สุกต้นนึกทุกปลายคืออยู่กับกิเลสไปทำตามกิเลสที่ต้องการให้ทำแต่ต่อไปร่างกายมันทำไม่ได้มันก็จะต้องทุกอยู่ดีเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพิกลพิการไม่สามารถทำตามความอยากของกิเลสได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกนี่เรียกว่าสุกต้นทุกปลายหรือจะเอาแบบทุกต้นแล้วสุขปลาย คำถามต่อไปจากคุณวินัสคนเคยเป็นเมียน้อยเป็นโดยไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวค่ะขอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกเจนต้องหนีเขาโกรธมากและเขาก็ทำให้ข้าพเจ้าอับอายจนไม่มีที่ยืนในสังคมทั้งขมขู่ว่าจะเอาชีวิตด้วยจะเป็นพระโสดาบันได้หรือเปล่าคะ <c oughs> <laughs> มันเกี่ยวยังไงก็เป็นโสดาบันนี่มันต้องละสังโยน์สามข้อสกายาทิฏฐิศีลพัตตาปรมาตและวิจิตกิจฉามันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็ น, เ, ปนเมียน้อยแล้วเป็นเมียหลวงนะก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงค <laughs> ำถามต่อไปจากคุณภาวนาข้อแรกถ้าเราถือศีลแปด และมาร่วมฟังเทศในศาลาที่ต้องมีคนทั้งหญิงชายนั่งปะปนกันจะทำให้เราผิดศีลแปดหรือไม่คะไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ไปแต่ต้องเนื้อตัวกันหรือไปอไปมีพฤติกรรมร่วมกันถ้าต่างคนต่างมานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่เสียหายตรงไห น, นแต่ปกติทางทาวัดที่เขาเข่งๆมากๆเขาก็จะแยกทิ่ ที่นั่งให้สำหรับบุคคลที่มีสถานภาพต่างกันบุคคลที่ถือศีลแปดก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งแม่ชีอยู่มุมหนึ่งพระอยู่มุมหนึ่งเพราะว่าเป็นมีสถานภาพต่างกันแต่ความจริงไม่แยกมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวที่จะทำให้ผิดศีลก็คือการไปร่วมหลับนอนกันนะั่นเองหรือการไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็เปี่ยวพาราสีกันอย่างนั้นมันก็จะ ในการเป็นจุดชนวนให้ไปสู่การาผิดศีลต่อไปแต่ผิดศีลจริงๆก็คือตัวร่วมหลับนอนกันนี่เองแต่ท่านก็ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นเพราะมันต้องเ ร, เริ่มต้นจากการคุยกันก่อนคุยกันกันแล้วก็ไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วเหมือนเพีจะไปสู่ขั้นสุดท้ายได้อย่างที่พระอนนลเคยถามพระพุทธเจ้าว่า จะให้พระภิกษุปฏิบัติกับสีกาได้อย่างไรอุตตมะเจ้าบอกว่าถ้าไม่จําเป็นต้องมองก็อย่ามองเอรพะนองคาถามว่าถ้าต้องมองจะให้ทํางไงถ้ามองก็อย่าพูดเอถ้าต้องการจะพูดให้ทํำยังไงก็พูดให้น้อยที่สุดพูดให้เลิกกันข้อที่สอง ศีลแปดห้ามเสพกามโดยร่วมหลับนอนกับสามีนั้นถ้าเราตั้งใจถือศีนแปดแต่อยู่บ้านเดียวกับสามีแต่ไม่มีการร่วมหลับนอนกับสามีไม่ดูทีวีละครหรือไปเที่ยวนั้นจะถือว่าเราถือศีลแปดได้หรือไม่คะได้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมหลับนอนกับใครก็ถือสีข้อสามได้ ถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากพวกมหัรสยบันเทิงแล้วก็ถือศีลข้อเจ็ดได้ถ้าเราไม่นอนบนฟูกหนาๆนอนนานๆนอนมากจนเกินไปก็ถือศินข้อแปดได้เขอศีลเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เราไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมมาทําใจให้สงบเพราะว่าถ้าเราไปทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะไม่มีเวลา เช่นเรารับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเสร็จก็อยากจะดูทีวีดูภาพยนตร์ดูเสร็จก็อยากจะนอนกับแฟนต่อนอนก็นอนมันพูกนั้นน ะ, ะ, ะก็นู่นเนี่ยก็สว่างนู่นเน่ยถึงจะตืน่นเราจะหาเวลาไหนมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเนี่นี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาหนึ่งแล้วตัด ัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวางในการเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบอยากจะถามอะไรเลยฮะเดี๋ยวเอาไมครโฟนมหนะ่อยเข้าประเด็นเดี๋ยวมาให้ให้ตอบหนะ่อยมอยู่ต่างประเทศเจ้าค่ะและดิงเดินที่ผ่านมาได้ได้รับการอ่านธรรมะของพระอาจารย์จากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะ ก็รู้สึกว่าทำให้รู้สึกตัวเองว่าเมามาตลอดชีวิตเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มสั่งเมาพุ hmm. ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้เองเจ้าค่ะแล้วหน้าที่การงานของสามีของโยมคือการเป็นทูตประจำประเทศออสเตรเลียเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่ก็คือการ hmm. มีงานจัดงานเลี้ยง แต่พอโยมได้มาฟังธรรมะของพระอาจารย์ศีลงห้าที่โยมได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดอย่างที่ถือว่ายกมือไหว้ตัวเองได้รู้สึกว่าไม่พอเพียงแล้วเจ้าค่ะโยมก็เลยขออนุญาตสามีว่าจะขอถึงศิ่งแปดเพราะพระอาจารย์พระธรรมะของพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กค่ะเจ้าค่ะสามีก็ตอบว่ายอมได้ยกเว้นไม่ให้ลงไปนอนที่พื้นถ้า จะลงไปนอนที่พื้นก็อขอให้เขาตายซะก่อนเพราะฉะนั้นโยมก็มาปรึกษากับพี่ๆว่าจะทำยังไงดีใจเนี่ยมุมุมานะแล้วเจ้าค่ะก็คือด้วยธรรมะของพระอาจารย์อย่างเดียวว่าต้องการที่จะจะให้ปฏิบัติทำก้าวหน้ากว่านี้ทำมาหลายปีด้วยแค่ข้อปฏิบัติสีให้อย่างเคร่งครัดรู้สึกไม่พอเพียงยังจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกิเลส เรื่องทางโลกเจ้าคะ่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตาสว่างสางเมาก็เลยอยากขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าศีลแต่ด้วยความเจตนานาแต่โยมถ้าโยมต้องทำให้มัน เ, เครื่องคัดสยมก็จะต้มีปัญหากับสามีและสามีตอนนี้ก็ยังหาเลี้ยงดูโยมอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัด ทิ้งอย่างที่พระอาจารย์เทศสอนเมื่อกี้ได้เจ้าค่ะโยมยังมีความจำเป็นที่ยังต้องมีชีวิตให้เ้าหาเลี้ยงอยู่เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำโยมจะได้นำไปปฏิบัติต่อเพราะว่าคงไม่มีโอกาสมาได้กล่าฟังเทศส ด, สดสดอย่างนี้ได้บ่อยนักเจ้าค่ะก็เหมือนกับเวลาโยมไปซื้อของซื้อสินค้าสินค้าต่างๆมันก็มีราคาต่างกัน ว่คุณสมบัติของสินค้าต่างๆเหล่านั้นมันก็ต่างกันสินค้าที่มีคุณสมบัติมากก็ราคาก็ต้องแพงสินค้าที่มีคุณสมบัติต่ำราคามันก็ถูกนี่อยู่ที่โยมต้องการสินค้าแบบไหนชอบสินค้าที่มีไม่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติต่ำหรือชอบสินค้าที่มีคุณสมบัติสูงก็ต้องเลือกก็ต้อง ต้องเสียเงินมากเสียเงินน้อยฉันใดการที่โยมอยากจะได้ธรรมะขัานไหนโยมก็ต้องจ่ายตามราคาของธรรมะนั้นถ้าอยากจะได้ธรรมะขั้นศีลห้าคุณก็จ่ายแค่ศีลห้าก็าพอศีลห้าก็พาให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายสามารถตายไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรก แต่มันก็ได้แค่นั้นสําหรับศีลห้าถ้าศีลแปดก็จะไปขั้นพรมาโลกไปขั้นพันธุ์พานได้อสูงกว่าคเหมือนเหมือนตีตั๋วเครื่องบินมีหลายชั้นไม่ใช่นะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นพิเศษมันก่อนก็ไปดูชั้นพิเศษตั๋วใบหนึ่งพันสามร้อยถ่าห้าร้อยเหรียญขึ้นหมื่นมังไม่ใช่พันนะหมื่นห้าพันเหรียญขึ้นไปค เพียงแค่ในในนั่งเพียงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนะี่ต้องเสียเงินไปขนาดนั้นแต่เขาก็ยินดีอ่งั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเรายินดีที่จะที่จะจ่ายมากใจน้อยกับสินค้าที่เราต้องการตอนนี้ถ้าไม่ได้แปดก็ให้เจ็ดก่อนก็ได้สาธุจ้ะค่ะก็ โยงจะพยายามตั้งใจใหม่เจ้าค่ะขอแค่เส้นเจ็ดแม่เจ้าค่ะอขอเส้นเจ็ดไปก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้ทุกวันไม่ใช่หรอบางวันมันก็แตกก็ได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะถ้าบางวันเขาไม่ไม่อยู่หรือเขาหลับเร็วยงก็จะพี่สาวแนะนําให้เลื้อยลงมานอนตอนเขาหลับไปแล้วเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรนอนที่ไหนก็ได้ความจริงที่มันไม่ให้นอนนอนที่ฟูกหนาๆเพราะกลัวจะนอนมาก มันสบายเจ้าค่ะแต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่มันถูกบังคับอยู่มันก็ถือว่าเรายังติดคุกอยู่ก็แล้วกันแล้วถ้าสมมุติว่ายมยังอย่างที่ท่านพระอาจารย์เทศเมื่อกี้ว่าเราก็ยังยอมตามใจคนอื่นอยู่นั่นแหละเราก็จะมองไม่เห็นทางสว่างสักทีใช่ไหมเจ้าคะใช่เพราะเราไม่เห็นว่าการกระทําเพื่อผู้อื่นนี้มันก็เป็นเป็นของชั่วคราวเจ้ค่ะ เดี๋ยวเขาก็ตายไปเราก็ตายไปใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ตามใจเขาแล้วเราไปไปหาสิ่งที่มันถาวรเราไปปฏิบัติธรรมเราได้สิ่งที่ถาวรแล้วถ้าเขาเห็นเราได้เขาอยากจะได้เขาก็อาจจะได้จากเราไปที่หนึง่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือยอย่างน้อยเราเราจะได้ประโยชน์ มากกว่าตอนนี้เราทําให้เขานี่ก็เพื่อเพราะเราก็มีประโยชน์ได้จากการกระทําให้เขาถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราคงไม่ทําหรอกใช่ไหมการที่เราจะทำอะไรให้กับใครนี้เราต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ให้เสียประโยชน์ถ้าทําอะไรให้เขาถ้าไปขัดใจเขาแล้ว <Okay. S 1> เขาไม่เขาไม่คบคาสมาคบกับเราเขาไม่ดีกับเราก็าไม่ให้นู่นให้นี่เราเราก็เสียประโยชน์ไปเจ้าค่ะบางทีเราก็ เสียดายผลประโยชน์ที่เราจะได้เราก็เลยยอมเสียประโยชน์ที่เราควรจะได้มากกว่าที่ดีกว่าคือการมาปฏิบัติธรรมใช่เจ้าค่ ะ, <ำ>คะแล้วเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าเราจะเอาประโยชน์อย่างไหนดีกว่าเราต้องรอเวลาไหมเจ้าคะหรือว่าเราควรจะฟันธงเลยเจ้าคะว่าอถ้าฟันธงได้ก็ดีมัอนพระเจ้าท่านรอจนกระทั่งถึงเวลาวาระสุดท้ายรอไม่ได้แล้วท่านก็ต้องไปเจ้าค่ะ<ป> ท่นบอกถ้าอยู่ต่อไปก็ไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเพราะพอมีลูกแล้วก็มีภาระมีความผูกพันเวลานั้นจะบอกกับเราเองเมื่อถึงเวลานั้นหรือว่าเราต้องพยายามให้ไปถึงเวลานั้นด้วยตัวเราเองเจ้าคะแต่ละคนมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน อ, อย่างน้องปูข่ขาวนี่เมียไปเป็นชู้ <c oughs> พอเมีเป็นชู้เขาทั้งก็เลยไปอ่าอย่างน้องตานี่ถูกบังคับให้บวช นล้นมันแต่ละคนมันจะไปให้มันเหมือนกันมันมันไม่ได้เราต้องดูภาวะของเราดูสภาพของเราเจ้าคะเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วขออีกคำถามนึงนะเจ้าคะว่าได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านกว่าจะได้บรรลุธรรมเนี่ยท่านจะต้องออฝึกทรมานรู้สึกมีชีวิตที่ลําบากและอย่างคารวาสหรือโยมเองนะนะเจ้าคะสามารถบรรลุธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ได้ไนหะมเจ้าคะ ได้ถ้าเรามีบา ร, รมีที่สามารถที่จะข้ากิเลสในห้องแอรได้ก็ควรดูได้หรือว่าเราควรจะต้องอขัดกากิเลสโดยการที่ไปฝึกให้อยู่ลำบากอดอาหารหรือว่าแต่ละคนมันก็มีภาวะที่มันไม่เหมือนกันองค่ะค่ะเจ้าแต่ละคนนี่มัน ม, มัน ม, มันต้องดูสภาพของตนเองแล้วก็ปฏิบัติไปเอง แล้วเราจะรู้ความต้องการว่าจะต้องปฏิบัติในสภาพไหนคพราะฉะนั้นจะจะไปกําหนดกเกณฑ์ตายตัวเลยก็ไม่ได้ขอให้เราเริ่มที่สติไปก็แล้วกันเริ่มที่ศีลไปก่อนเอาศีลห้าไปเราก็หาเวลาที่อยู่ตามลําพังให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไปก่อนแล้วเวลาอยู่ก็พยายามฝึกเจรนญสติอย่างต่อเนื่อง อย่าให้ใจลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดอย่า ง, งนั้นเอย่างนี้ถ้าจะคิดไล้าคิดว่าเราต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปกังวลไม่ไปเสียดายกับสิ่งต่างๆเจ้าค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิได้เจ้าค่ะรู้สึกไม่อยากเลิกฟังธรรมะเจ้าค่ ะ, ค, ะคืออยากจะเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังแล้ว ทำสมาธิไปด้วยอันนี้ก็ได้<ส>ในเบื้องต้นแต่มันจะได้ความสงบไม่เท่ากับการที่เราใช้ใการดูลมหายใจใเพราะว่ามันจะลงลึกกว่ามันจะละเอียดกว่ามันจะได้ความสุขมากกว่าแต่ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่มีกำลังพอที่จะไปใช้แบบนั้นเราก็เลยต้องอาศัยการฟังเทศเป็น วิธีการนั่งสมาธิไปก่อนก็ลองสังเกตดูหลังจากที่เราฟังเสร็จแล้วเราลองปิดแล้วเราอย่าเพิ่งเลิกเราลองดูลมหายใจต่อไปได้หรือเปล่าเจ้าค่ะให้ดูฉเฉยๆเท่านั้นเองไม่ให้ต้องทาอะไรเจ้าค่ะให้เฝ้าดูเพื่อที่จะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจแล้วจะสักก่ะย <ภา S 1> ่อมําต่อจาก ท, ท, ท, ที่น้องสาวมาด้วยกัน น, นะคะ เกี่กับเรื่องการปฏิบัตินะคะถ้าเผื่อโยมยังไม่พร้อมเพราะว่ายัางมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวอยู่ยังไม่สามารถที่จะออกมาปฏิบัติได้รเราจะเซนแต่โยมก็ปฏิบัติเข้าปฏิบัติมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวสิบวันเจ็วันไปก่อนอย่างนี้จนกว่าเวลาเรามาถึงเนี่ยมันจะได้ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับการเก็บแต้มไปก่อนก็ดีกว่าไม่ทาเลย <laughs> เก็บสะสมไปก่อนจนกว่าเวลามาโยมคิดว่าคนเราจนอยู่ที่เวลาเวลามันบัลลังก์เราไม่พอเราอยู่ได้แค่นี้เราต้องรับแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีแค่ยันดีก่อนใช่ไมเ้าคะใช่เพราะอย่างพระพุทธองค์ท่านก็ยอมยอมสาะสละที่จะไปหาสิ่งที่ดีเพื่อมาประชัยกับมวลชนแต่ของโยมเนี่ยต้องมีดูแลครอบครัวที่จะ ให้มันเรียบร้อยลูกเต้าทำงานเสร็จให้ลูกเขาขึ้นไปให้มีางานทำให้เรียบร้อยส่งลูกเรียนแล้วถึงเวลาแล้วตอนนี้เราได้ออกมาทำทำของปฏิบัติหน้าที่ของเราบ้าง อันนี้พระอาจารย์โยมแค่จะขัดแย้งกับที่ฟังเทศที่อาจารย์เทศเมืตินี่ว่าแบบไม่ให้ไปสนใจให้ไม่ต้องไปยุ่งเหอะไม่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้สนใจตัวตัวเองแต่ฐานหน้าที่ภาระเรายังมีอยู่อะค่ะก็มันเป็นแนวคิดที่มันมีหลายแนวคิดของโยมก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่อยากจะมาแสดงนี่ก็อยากจะเสนอแนวคิดที่มันแหวกแนวไปหน่อยแต่มันก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน เช่ชสวนสมมติว่าเราตายไปเขาจะทำไงคนที่เราต้องดูแลอยู่ตอนนี้เขาก็ต้องหาทางของเขาอยู่ดีใช่ไหมเราดูครอบครัวที่พ่อแม่ตายไปเด็กๆลูกๆที่เขาอยู่กันเขาก็หาทางของเขาไปอยู่ดีอันนี้เป็นแต่เป็นการเสนอแนวคิดเท่านั้นเองแล้วก็ต้องตัดลูกเลยแล้วอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเราเลี้ยงเขาไปดูแลเขาไปพอเขาโตก็ไปเสร็จ ยากัญชาเสพผิงขึ้นมาไปติดโรงเอกขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงคือในที่สุดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายกันมันก็ไปจบตรงที่ความตายจบตรงที่การพัดพา ก, กจากกันอยู่ดีนั้นไม่ว่าคุณจะทำให้ดีขนาดไหนรักษากันให้ดีขนาดไหนถึงเวลามันก็หมดไปเหมือนกับพยายามรักษาถ้วยหรือจานที่เรารักเราหวงเนี่ย รักษายังไงในสุดมันก็ต้องแตกไม่รักษามันก็แตกเพียงแต่แตกช้าแตกเร็วทางนั้นเองคือให้วางใจไว้ก่อนว่าจะต้องมีการทักทักแน่นอนได้เห็นการทักทักจากการมันอาใชะเป็นเครื่องธรรมดาเอมันอาจจะทิ้งกันได้ง่ายเจ้าค่ะจัดเราไม่มองตรงจุดนั้นกันอ๋อเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ถึงนำมาเตือนให้เรามองกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นจุดนั้นท่านถึงออกบวชได้ ท่านเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่พอเห็นคนตายมันก็เห็นการพัดภาคจากกันท่านก็เลยไปได้ถ้าเราอยากจะไปพยายามจเจริญมึ่ถึงเทวทูตสี่อยเรื่อยๆแ ล, แล้วความสุขภายในเนี่ย เราต้องทําด้วยตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะที่จะเกิดขึ้นการทําให้มีความสุขภายในได้ก็คือเราต้องนั่งสมาธิคือต้องมีสติเพื่อควบคุมใจให้สงบอ๋อเริ่มจากมีสติอแล้วควบคุใจควบคุมคาม<ห>คิดตรงแต่งควบ ค, คุมความคิดให้หยุดความคิดตรงแต่งให้อยู่กับความคิดคําเดียวเช่นพุทโธอย่างนี้ถ้าดูอยู่กับพุทโธพุทโธเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามันคิดมันก็จะไม่สงบนะนอกจากไม่สงบแล้วมันอาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเครียดขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามีพุโทโธมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันเครื่องกำกับใจควบคุมใจไม่ใไปคิดเรื่องต่างๆได้ใจก็จะเย็นจะสบายแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสงบนิ่งเต็มที่เราต้องนั่งเฉย เวลาที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่ในใจยังต้องทำงานยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ถ้าเราต้องการให้ใจหยุดการกระทาต่างๆร่างกายก็ต้องหยุดต้องนั่งเฉยๆแล้วทีนี้พอนั่งเฉยๆก็ดับตาไม่รับรู้อะไรต่างๆแล้วก็ให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งลมหายใจเข้าออกก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้ พุโทโธก็ได้มันมีหลากหลายวิธีท่านเรียกว่ามีกรรมฐานสี่สิบวิธีสี่สิบชนิดที่จะทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้เราเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับเราถูกกับเรานั่งแล้วได้ผลดีเราก็เอาวิธีนั้นไปจนกว่าจิตมันจะรวมร่างกายหายไปจากความรับรู้มันถึงจะรวมเต็มที่ มันจะเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อตกเหววูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ร่างกายหายไปลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆหายไปอันนี้รวมเต็มที่รวมอกแบบหนึ่งก็คือรวมแบบร่างกายยังอยู่รูกเสียงกลิ่นรสยังอยู่แต่ใจไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาให้รับรู้อ่างคนต่างอยู่กันไปเสียงจะดังจะค่อย จะเป็นยังไงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจไม่เดือดร้อนไม่มีปฏิกิริยาสักแต่ว่ารู้ก็จะเรียกว่าเป็นควาสงบเหมือนกันได้สองแบบแล้วความสงบก็มีระยะถ้าสั้นๆเราก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ายาวก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วมีสมาธิแบบหนึ่งก็สมาธิที่ นิ่งแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับรู้เรื่องของความคิดของคนอื่นรับรู้เรื่องเทวด า, เ, าเทวดามาสนทนาปราศัยมาคุยกันคือไปมีอภิน ญ, ญามีความสามารถพิเศษสมาธิแบบนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนา เพราะจะไม่ทําให้จิตมีพลังมีกําลังต่อต้านกิเลสปัญหาออัตนานี้จะมีกําลังเพราะจะทําให้ใจมีอุเบกขามีความรู้สึกเฉยกับอารมณ์ต่างๆเฉยกับความอยากต่างๆเราต้องการอุเบกขาต้องการอัปตนาสมาธิเพื่อที่เราจะออกมาจากสมาธิแล้วเราจะได้ใช้กําลังนี้ต่อสู้กับปัญหาที่จะผล่ขึ้นมา แล้วทุกคนจะได้สมาธิสามแบบนี้นหมคะเอาประจาระนี้ไม่แน่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีไม่มีดีกว่ามีว่า <c oughs> มีแล้วเดี๋ยวจะหลงทางเอถ้าไม่มีก็ดีอแต่ถ้าฝึกภาวนาไปเรื่อยสองสองแบบที่พระอาจารย์กล่าวเนี่ยเบื้องตน้นจะเป็นเบื้องตนน้นจะเป็นขั้นนี้ก่อนเบื้องต้นจะรวมปั๊บแล้วก็จะถอยออกมาเพราะตื่นเต้นดีใจอย่าอยู่ได้ไม่ไมนานเอ แต่พอเราหน้ารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ขั้นต่อไปเวลามันรู้ก็ใช้สติประครับประคองมันได้ไม่ไปตื่นเต้นให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วมันก็จะอยู่ไปได้นานขึ้นขอโทษนะคะคำถามเยอะเพราะว่านด้มาโอกาสมาจิตตนาะอาจารย์คําถามมันผุดขึ้นมาอยู่เรื่ อ, อ, อยทเข้า ใ, <ช>ใจลแล้วเออเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า มีสองแบบที่มีความสงบคือสงบที่ไม่ร่างกายหายไปกับสงบที่ร่างกายยังอยู่และก็ยังรู้สึกรูปรถกิ่นเสียงยังยังอยู่ยังอยู่หมดนะคะยังยังรู้สึกได้แต่แยกออกจากกันแต่ใจไม่ใจไม่ใจไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งภายนอกและอย่างแรกเนี่ยจะไม่ได้ยินอะไรเลยจะไม่ได้รับรู้ ลูกชดีชช<า>สูญสูญสัมผัสกันเล ย, ายหายไปเลยแล้วอาการทั้งสองอย่างเนี้ย เกิดไม่เิอทุกคนไม่จะเป็นต้องเกิดเหมือนกันหมดแล้วแต่คนที่จะจะเกิดบังได้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะในคนเดียวกันก็เกิดได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่สภาวะสมาธิที่เราจะเข้าตรงนั้นได้อย่างระเบแบบนี้คือจะได้ให้ได้หมดแต่อัปนาสมาธิเท่านั้นที่ที่จะต้องแล้วแต่ผู้คนที่จะเขึ้นมาตะกุขึ้นมาได้คือเป้าหมายก็คือต้องให้สงบนานๆเพื่อจะได้มีกําลังที่จะไปสู้กับปัญหาความอยาก เวลาออกมาแล้วมันเจอสิ่งที่เราลากเราชอบเราอยากได้เราจะได้ตัดมันได้ดถ้าเราไม่มีอุเบกขาอ น, นี่พอเห็นอะไรแล้วต้องวิ่งไปเอาใช่ไหมค ะ, คะกราบพระคุณครับหมดคําถามนะค่ะตัดเรื่อถามพระอาจารย์ครับคือเออเรื่องการปฏิบัติปกติแล้วนะครับนั่งสมาธิผมจะใช้ในาฬกาจาักเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่จักเวลานะครับแล้วพยายามกําหนด ถ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันมันก็ไม่รวมนะครับจะมีหลักการยังไงครับคือเมื่อไรจะต้องถอออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมใหม่แล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ครับคือถ้าเรา <c oughs> ใช้เวลานี้มันต้องมีเหตุผลเช่นเราต้องไปทํางานทําการเรื่มมีธุระอะไรเราก็ต้องตั้งเวลาไว้เพื่อจะได้ไม่เสียเสียหน้าที่การงานของเราแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่การงานเราไม่ควรที่ไปกังวลกับเรื่องเวลา ควรจะนั่งไปตอนกายจะทนนั่งไม่ได้แล้วค่อยลุกขึ้นมาอครับการทนนั่งไม่ได้ก็เคยครับคือคือนั่งจนปวดปวดจกนกระทั่งพยายามชดจะทนนะครับแต่ว่าก็คือใจก็จะคิดว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าที่พยายามให้เราถอดออกมาเพื่อไม่ให้ทนนั่งต่อไปก็ <S 1> <S 1> <S ถ้ามันอยากจะออกมาก็เป็นกิเลสแล้วละ่ะเพราะว่ากิเลสจะชอบดึงเราออกมาทางตาหูจมูกเล่นกายเสมอทําจับดึงเราให้เราเข้าไปข้างในเข้าไปสู่ความสงบ ในการที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะใช้ทำดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเพราะเข้าสู่ความสงบแล้วเราได้พบของดีของแท้ของจริงแต่กิเลสมันชอบให้เราไปหาของปลอมกันที่เราปฏิบัตินี้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสไม่เรี่ยงเป็นการชั ก, กะเย่ะกันระหว่างทมกับกิเลสรมก็คือสติเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการตั้งใจฟังธรรมะหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้จะดึงใจ ให้เข้าข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกแต่กิเลสไม่มีอยู่ในใจของเรามันพยายามจะดึงออกไปในเวลาเรานั่งนี้เราจะรู้สึกมีความเครียดเสมอเพราะมันมีการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายเหมือนกับเวลาสองฝ่ายมีการชักกระเยาะกันมาดูเชือกที่เขาดึงกันมันจะตรงเลยแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บเชือกนั้นก็จะหายตึงถ้ากิเลส ย, ยอมแพ้ปั๊บจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ ความเครียดความตึงอะไรต่างๆก็จะหายไปหรือว่าถ้าเรายอมแพ้เราออกมาทางต่างูจมูกลิ้นกายมันก็หายเครียดเหมือนกันแต่ะ แ, แต่ประโยชน์ได้ต่างกันถ้าหายเพราะกิเลดยอมแพ้นี่เราได้เราได้ของแท้ของจริงถ้าทํายอมแพ้เราก็จะมาได้ของปลอมได้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับนั่นก็หมายความว่าก็คือต้องพยายามทนให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่า ่่ไมไหวงๆคือไม่ควรจะทนควรจะบริกรรมพุทโธไปเวลาที่เกิดความเจ็บปวดขึ้นมานี้อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆเพราะว่ามันใจมันจะคิดไปทางแต่จะหนีอย่างเดียวยังเราจะต้องหยุดใจไม่ให้มันคิดไปทางที่จะหนีจากความเจ็บอันนี้ด้วยการบังคับให้มันพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันไปคิดอะไรถ้าบังคับมันอยู่พุทโธได้ทักระยะหนึ่งแล้วความอยากจะหนีมันจะหายแล้วความเครียดในใจนี้มันจะหายไป เราจะรู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเพียงเสี่ยวเดียวความเจ็บที่ร้ายกาจก็คือความเครียดที่เกิดจากความอยากจะหนีจากความเจ็บอันนี้ไปที่เราต้องการที่จะทำก็หยุดความเครียดอันนี้หยุดความเจ็บทางใจด้วยการบริกรรมพุทโธไปให้มันทีเลยอย่าให้มันมีโอกาสที่ไปคิดถึงความเจ็บเลยทำไปห้านาทีสิบนาทีถ้าทาได้เดี๋ยวมันจะมันจะเห็นผลมันจะเบามันจะจางออกไป แ้วพอเราหยุดปั้นมันก็จะกลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วก็ต้องมาเอามันใหม่เนี่ยตัวความคิดตรุงแต่งนี้มันจะพยายามผลิตมันจะคิดไปในทางตันหาความอยากอยากหนีจากความเจ็บนี้ไปพอเราใช้พุโทโธพุโทโธมันไม่ใช่เป็นความความอยากพุโทโธมันเป็นความเฉยเฉยมันก็จะทําให้ใจเฉยพอใจเฉยความเครียดคือความทุกข์ใจก็จะเบาบางลงไปแล้บางทีหายไปเลยก็มี หายไปแบบเหมือนเชือกขาดเลยขาดพึงไปเลยแล้วความเสีย น, นี้ไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ความสงบเย็นสบายขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของการบริกรรมนี่คือวิธีต่อสู้กับความความเจ็บเวลาร่างนั่งแล้วร่างกายมันเจ็บวิธีวิธีแรกวิธีที่สองหลังจากที่เราได้ความสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาแยกแยกเวทนาออกจากใจได้ พิจนาเอาเวทนาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้เราไม่สามารถไปสั่งให้มันหายได้มันจะดังขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากจะไปให้มันหายเมื่อไหร่แล้วใจเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีทันใดเวทนานี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากร่างกายแล้วใจเป็นผู้รับรู้ เราไม่สามารถไปสั่งมันได้ให้มันหายไปตอนนี้อาจจะสั่งได้เพราะเราขยับแข้งขยับขาได้แต่เราต้องสมมติว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งมันไม่ได้เราจะทํายังไงเราก็ต้องสมมติว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราสั่งมันไม่ได้เราต้องมาหัดอยู่กับมันให้ได้ที่อยู่กับมันให้ได้ก็คือใจอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีจากมันไปะ ทำใจสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามีสมาธิมาแล้วก็จะมีอุเบกขา<ม>ก็จะรู้ว่าวิธีทำใจเป็นอุเบกขา<ม>ทำาไง<ม>ก็พยายามดึงใจไปอยู่ที่อุเบกขาให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาหายไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาได้นี่คือวิธีของปัญญาครับขอบคุณมากครับจะลองไปปฏิบัติครับอลองดู กลับมาทยาบ้านต่อไอทีทางเฟซบุ๊กต่อคำถามจากคำถามจากคุณภาวนาต่อนะคะข้อที่สามมีหลักในการพิจารณาอย่างไรว่าเราไม่ผิดศีลแปดในส่วนของข้อสามคะก็ไม่ร่วมหลับนอนกับเขาเหมือน่พิจารณายังไง วิธีที่ดีที่จะทำให้มันไม่เกิดก็คือไปอยู่คนละที่ได้ดีที่สุด <c oughs> เหมือนกันน้ามันกับไฟก็ <c oughs> ไม่เก็บไว้ที่เดียวกันเดียวมันก็ลุกขึ้นมาไฟต้องอยู่ที่หนึ่งน้ำมันต้องอยู่ที่หนึ่งเวลาถึอศีลแตกก็ถ้าจราต้องอยู่ในบ้านเดียวกันก็อยู่กันคนละห้องห้องก็ต้องมีกรมีกุญแจใส่ ข้อที่สี่ที่มีคำพูดว่ารักษาศีลเพียงข้อเดียวคือใจนั้นหมายความว่าอย่างไรคะเพราะใจเป็นผู้ทําผิดศีลทั้งแข้อเองใจเป็นผู้สั่งเองเวลาใจเกิดความอยากก็สั่งให้ไปทําผิดศีลข้อสามอยากจะดูมหรสบก็สั่งให้ไปดูมหรสบถ้าควบคุมความอยากได้ก็จบเนีย่ยถ้าทําใจสงบเป็นอุเบกขาได้ความอยากได้นู่นได้นี่มันก็จะหายไป ย่งได้ไว้รักษาสินข้อเดียวก็คือให้รักษาด้วยสติด้วยการภาวนาด้วยสมาธิด้วยปัญญาต้องใช้ทาสามข้อนี้ถึงจะรักษาได้อย่างทาวรถ้ามีสติกับสมาธิก็ได้ชั่วข่าวเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวพอเพอก็ไปเกิดความอยากขึ้นมาได้ แต่อยากจะรักษาถาวนก็ต้องมีปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากความอยากนี้จะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ทาให้เราสุขแต่ไม่จะสุขก็เป็นสุขตามสุขเดียวเดียวสุขในตอนที่เราได้ทำตามความอยากแล้วต่อไปเวลาจะไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะทุกข์ข้อที่ห้า จิตลงมัชชิมาหรือจิตเป็นมัชชิมาหมายความว่าอย่างไรคะก็จิตเป็นกลางไงมัชชิมาแปลว่ากลางคาว่ากลางนี้ก็คืออุเบกานี่เองไม่รักไม่ชัง อ, อยู่กลางกลางระหว่างรักกับชังกลัวกับหลงเนี่ยคติสี่นี้จะไม่มีในในจิตของผู้เป็นมัชชิมาจิตที่เป็นมัชชิมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง คำถามต่อไปจากคุณสิทธิศักด์นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าหรือสติแตกได้ด้วยหรือครับมีคนเขาถามผมเขาบอกว่าเหตุ hey, ที่เขาไม่กล้านั่งสมาธิเพราะกลัวเป็นบ้าผมบอกเขาไปว่า คนในโรงพยาบาลบ้ามีสักกี่คนที่เป็นบ้าเพราะนั่งสมาธินั่งแล้วไม่บ้านั่งแล้วบรรลุธรรมพระ อ, าอารหันตสาวกหรือครูอาจารย์ที่ปฏิบัติ ด, ดีทำไมไม่จำมาเป็นแบบอย่างอยากถามพระอาจารย์ว่าบ้าได้ด้วยหรือครับเมื่อเราปฏิบัติธรรมหรือเขาจะบ้าของเขาอยู่แล้วแต่บางเอิญมาปฏิบัติธรรมพอดีนั่นแหละก็บ้าแล้วคือ คำว่าบ้านนี่มันก็อาจจะเกิดจากที่ความหลงนี่เองเวลาปฏิบัติไปแล้วไม่มีครูอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาคอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วพอนั่งไปแล้วก็เห็นอะไรแล้วปรากฏอะไรขึ้นมา mm. ก็คิดไปเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็หลงไปกับความคิดของตนเอง mm. ก็เลยถ้าหลงมากๆก็กลายเป็นคนบ้าไปคือไม่ได้มอง ความเป็นจริงว่าเป็นอย่างที่ตนยังคิดหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณรัตะพงศ์เมื่อปฏติบติสมาธิภาวนาไปได้สักครู่หนึ่งเกิดน้ำลายไหลออกทางปากถึงแม้จะควบคุมไม่ให้ไหลก็ยังคงเกิดอาการเช่นนี้อยู่แต่ก่อนเคยเกิดอาการน้าตาไหลและได้เคยกราบเรียนพระอาจารย์มาแล้ว ได้รับคำตอบว่าเป็นอาการของปีติอาการเช่นนี้จะแตกต่างกันไหมครับทั้งน้นตาไหลและน้ำลายไหลที่ไหลออกมาขณะจิตสงบลงมันจะไหลก็ช่างมันแต่ขอให้จิตสงบก็ใช้ได้คำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอแต่เพียงฝ่ายเดียว โยมนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเลยต้องใช้วิธีตามดูรู้การเคลื่อนไหวของจิตจิตไม่สงบหรือจิตสงบหรือจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาก็แค่รับรู้แล้วก็วางแบบนี้ถือว่าการปฏิบัติถูกไหมครับแต่ทําอย่างไรโยมก็ไม่สามารถบังคับใจตัวเองให้นิ่งสงบได้ครับถ้าไม่สงบก็แสดงว่าไม่ถูกทาง ถ้าถ้าถ้าสงบก็ถือว่าถูกทางถ้าการปฏิบัติแบบนี้เราทําใจให้ไม่สงบก็ต้องทําแบบที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือให้ใช้ทุทโธบริกรรมพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปหรือถ้าทําการเคลื่อนไหวต่างๆก็ให้เข้าดูการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต็ดีให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจนี้จะเหมาะตามที่นั่งเฉยๆพอเวลาเคลื่อนไหวนี้ดูยากลมมันละเอียดหรือถ้ามันยากดูร่างกายก็ยากดูลมก็ยากก็ใช้การบริกรรมพุทธโธไป หรือจะชอบสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้นี่เป็นอุบายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งนั่นเองแล้วถ้าใจไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณทอมตี้ข้อแรกอยูเลี้ยงปลาสวยงาม ต้นไม้น้ำในตู้ปลามีเหอยเล็กๆเกาะ อ, อยู่ปกติจะเก็บทิ้งร้านขายปลาแนะนำให้ซื้อปลาปลากระเป้ามาปล่อยให้กินหอยตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยความขาดสติเลยซื้อมาสี่ตัวมันก็กินหอยหมดทีนี้ต้องหาของสดให้กินแทนหาไม่ได้อดอยากตายไปสามตัว เหลือตัวเดียวให้กินลูกน้ำแทนหนูต้องทำบาปทุกวันเพื่อรักษาชีวิตปลาปลกะเป้าถ้าไม่เลี้ยงปล่อยลงคลองเขาก็ตายแน่แ่หนูเครียดมากาค่ะควรทำอย่างไรดีคะก็ควรปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาปล่อยไปเถอะเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้เขาก็ตายไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายอยู่ดีดีกับคุณมาร่วมทำบาปของเขาไป ข้อที่สองเวลาคนที่บ้านซื้อกุ้งฝอยมาหนูชอบเอาตัวเป็นๆมาเลี้ยงแต่ก็ค่อยๆตายหนูบาปอีกใช่ไหมคะเจตนาหนูอยากช่วยชีวิตเขาปูนานก็เช่นกันเจอที่ตลาดสงสารกลัวโดนแช่น้าําปลาซื้อมาเลี้ยงก็กัดกันจนตายจนต้องเอาไปปล่อยลงน้ําหนูเจตนาช่วยแต่ทำเขาตายบาปใช่ไหมคะ ถ้าทำให้เขาตายมันาาก็บาปนะทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาข้อที่สามปลวกกินบ้านไม้เก่าหนูเอายาฉีเพราะไม่มีเงินจะรื้อทำใหม่เคยฆ่ามดปลวกมแมลงมาเยอะ ทำอย่างไรจึงจะลดกรรมที่หนูเคยทําไว้หรืออุทิศบุญให้เขาทางไหนดีที่สุดคะทั้งกรณีที่เราฆ่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็อย่าไปฆ่าเขาเสียจะได้ไม่ต้องไปอุทิศบุญให้เสียเวลาถ้าคุณคิดเลยว่าเวลาคุณอุทิศบุญให้เขาเขาจะยินดีทำถ้าเกิดกายเขาฆ่าคุณแล้วเขามาขออุทิศบุญให้คุณคุณจะเอาหรือเปล่าเงี้ยเงี้ยเอาแค่นี้ก่อนนะ ค่ายพวกนี้ค่อยว่ากันใหม่สมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าหน่อยทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด